วันี้12เมษายนนะเราก็รู้กันดีนะว่าพรุงนี้ก็เป็นวันสงกรานต์สงกรานต์นี่เป็นประเพณีไทยมันหมายความว่ายังไงรู้ไหมหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทยนะสงกรานต์นี่เปนแปลว่าผ่านแต่ว่าเปลี่ยนก็ได้นะเปลี่ยนสักระาเปลี่ยนราศีเนะี่ยเรียกว่าสงกรานต์ สมัยก่อนนะเราเปลี่ยนศักราชนะเปลี่ยนปีก็เริ่มต้นที่วันสงกรานนี่แหละปฏิทินไทยสมัยก่อนเนี่ยเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยวันปีใหม่คือหนึเมษานหนึ่งเมษ า, นะานี่เป็นการเป็นปฏิทินตามสุริยคติส่วนสงกรานนีมันจำทรคติแต่สมัยก่อนนี่เมืองไทยปฏิทินสุริยคติกับจันทรคติปีใหม่นี่ใกล้กันหนึ่งเมษานี่ คือวันขึ้นปีใหม่นะเมื่อสักเจ็ดสิบปีที่แล้วขึ้นไปนะเดือนสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เดือนธันวาคมนะเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเดือนสุดท้ายปีคือเดือนมีนาคมคนที่เกิดมีนาคมก่อนสองสี่เก้าสี่นี่นะก็ถือว่าเกิดท้ายปีคนระแต่เดี๋ยวนี้มีนาคมนี่มันกลายเป็นเดือนที่สามของปีกันลนะ ตอนหลังเนี่ยก็มาเปลี่ยนเอาเป็นหนึ่งมีนา1ม ก, กราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่ว่าตามประเพณีไทยนะก็ยังถือนะว่าสงกรานนี้ก็เปลี่ยนศั ก, กระาขึ้นปีใหม่วันนี้ก็12เมษาก็ถือว่าเป็นวันเรียกว่าสงท้ายปีเก่านะขึ้นปีใหม่ก็ได้แล้วก็เป็นวันที่พวกเราสามเณรแล้วก็สิรจารณีก็จะสึกออกไปนะก็เป็นนิมิต ด, ดีนะเพราะว่าพอเราสึกไปก็ขึ้นปีใหม่ ก็ขอให้เป็นการสึกที่นำพาเราไปสู่ชีวิตใหม่ด้วยเราสึกกลับไปเป็นคารวานะแต่อย่าให้เป็นคนเดิมนะต้องเป็นคนใหม่ให้มันสอดคล้องกับปีใหม่นะตามประเพณีไทยที่กำลังจะมาถึงนะนะกลับไปเป็นคนใหม่นะออกจากบ้านเมื่อสามปีที่แล้วนี่ให้ถือเป็นคนเก่านะกลับไปเป็นคนใหม่ เป็นคนที่เป็นลูกที่ข ย, ยันขันแข็งนะอดทนนะกินง่ายนะแม่ทําอาหารอะไรให้กินไปซื้ออะไรมาก็กินได้อร่อยเพราะว่ามาอยู่วัดนี่เราฝึกนะให้กินง่ายดูง่ายนะหลายคนกลับไปก็จะรู้สึกแล้วโอ้ที่บ้านนี่อาหารอร่อยนะ <c oughs> เพราะว่าตอนอยู่วัดนี่อาหารนี่มันไม่ค่อยอร่อยเลย มารู้เนี่ยตอนอยู่วัดว่าเอาอาหารที่บ้านนี่อร่อยแต่ก่อนนี่โง่ไปนานนะคิดว่าอาหารที่บ้านทํานี่ไม่น่ากินเลยนะมาอยู่วัดถึงรู้ว่าโอมันอร่อยแต่ก่อนอยู่ที่บ้านก็ปนโน่นปนนี่มีข้อติมีข้อตําหนิพอมาอยู่วัดถึงรู้วโอที่บ้า น, นมันสบายเหลือเกินนะกลับไปนี่นะแค่เรารู้สึกอย่างนั้นนะว่าที่บ้า น, นมันมันสบายมาก ต่อไปนี้เลิกบ่นแล้วนะเพราะว่าอาหารที่แม่ทำเนี่ยทุกอย่างเลยอร่อยทั้งนั้นนะนอกจากกินง่ายอยู่ง่ายนอนง่ายแล้วนะ <c oughs> ก็ให้เราเป็นคนที่รู้จักช่วยตัวเอง <c oughs> ทิต ว, วัดนิสัยบางอย่างที่เราได้สร้าง ม, มาตอนมาบวชที่นี่นะ <c oughs> เช่นการรู้จักช่วยตัวเองการรู้จักช่วยเหลือส่วนรวม <c oughs> นะให้เก็บเอาไปด้วยนะเอาไปที่บ้านด้วยต่อไปเวลา นอนนี่ก็รู้จักเก็บที่นอนเองรู้จักทำความสะอาดห้องนอนเองบ้างหรือว่าทำความสะอาดที่พักช่วยพ่อแม่นะหรือแม้ถ้ามีที่บ้านมีคนงานก็ช่วยเขาด้วยอย่าไปคิดว่าโอ๊ยเขามีคนงานแล้วนี่ฉันกลับมาอยู่สบายไม่ใช่ช่วยเราต้องช่วยตัวเองโดยเพราะเรื่องของเราจะเป็นที่นอนจะเป็น เสื้อผ้าแม้แต่จานชามนะรู้จักร้างเองบ้างอยากกินน้ำนี่ก็ไม่ต้องรอให้พ่อแม่มาประเชนนะบางคนที่ติดนิสยนะัยเน่จะกินอะไรก็ต้องให้พ่อแม่หรือคนคนใช้นี่เอามาให้แม้แต่น้ำแก้วต้นะองรู้จักเดินไปหิไปไปลนน้ำเองตอนนี้ต้องจับช่วยตัวเองนะอันนี้เราเป็นคนใหม่ ที่เคยใจร้อนทําอะไรอยากได้ไวๆนี่ก็ต้องอดทนมากขึ้นนะใจเย็นมากขึ้นให้เป็นคนใหม่นะกลับไปถือว่าขึ้นปีหม่แล้วถึงแม้จะกลับไปสู่เพศคาราวะาเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่คาราวะหรือลูกคนเดิมแล้วเป็นลูกคนใหม่เป็นหลานคนใหม่นะที่น่ารักนะที่รู้จักช่วยตัวเองที่เข้มแข็งอดทน ส่วนนิสัยที่ไม่ดีอะไรก็ทิ้งเอาไว้นะคทิ้งเอาไว้พร้อมๆกับอผ้าเหลืองที่เราหม่มผ้าขาวที่เราห่มก็เราทิ้งไว้ที่วัดก็นิสัยไม่ดีก็ทิ้งเอาไว้ด้วยนะอันนี้ถึงไม่ได้เป็นคนใหม่อย่าแท้จริงแล้วก็จําได้ไหมที่ฝากเอาไว้สามข้อเมื่อวานเนี่ยนะจําได้ไหมาฝากอะไรบ้างหลวงพ่อฝากอะไรบ้าง เราถามตัวเราเองสำรวจตัวเราเองนะว่าเราได้เรียนรู้อะไรบ้างตลอดสามอาทิตย์ที่บวชมาเราได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นไหมแล้วก็เราได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรบ้างถ้าหากจำไม่ได้ก็ฝากพ่อแม่นะไปถามด้วยว่าเนี่ยลูกบวชมาสามอาทิตย์นี้ได้รู้อะไรเพิ่มขึ้นไหมรู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นหรือเปล่า แล้วก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการมาศึกษานะเป็นการศึกษาในภาคปฏิบัติแล้วก็ฝากไว้อย่างนึงด้วยนะนอกจากสามข้อนฝะากจะเรียกเป็นเกมก็ได้นะเป็นเกมเกมจั๊กเอ๋นะเคยเล่นไหมซ่อนหาเนี่ยจั๊กเอ๋เนี่ยนะเวลาเพื่อนหลงเราก็ไปเจอเพื่อนก็จั๊กเอ๋ใช่ไหม แต่ว่าเกมีท้ทให้เล่นเนี่ยนะไม่ใช่จ้าเอขายนะแต่ว่าจ้าเอกับความคิดและอารมณ์ที่มันเข้ามาในใจที่หลวงพ่อแล้วก็แม่ชีได้สอนเราเนี่ยนะถ้าจะสรุปง่ายๆเรื่องการปฏิบัตินะก็คือฝึกให้เรารู้จักจ้าเอความคิดเวลาความคิดพุ่งสร้างมันเข้ามาเวลาความโกรธมันเข้ามาในใจ มันก็มาตัดโจรนะเมื่อขโมยนี่แอบเข้ามาในบ้านเราเราเปิดประตูบ้านทิ้งเอาไว้หรือแม้แต่เราปิดประตูบ้านแต่ว่าโจรนก็แอบเข้ามามันไม่ได้แอบมาตอนกลางคืนบางทีมาตอนกลางวันก็ได้เมื่โจรมาแอบเข้ามานี่พอเราซึ่งเเจ้าของบ้านนี่เห็นมันเจ๊เอมันโจรก็ล่าถอยหนีไปเองนะเพราะมันกลัวกลัวเจ้าของบ้านรู้ธรรมชาติโจรเป็นอย่างนั้น มันกลัวคนรู้มันก็นชอบมาตอนกลางคืนแต่ถ้าตลางวันเจ้าของบ้านเผลอก็มาเหมือนกันแต่พอเราหันหน้าไปศบตากับโจรกับขโมย <c oughs> เขาก็หนีไปเองนะถึงแม้ขโมยนั้นอาจจะสมหน้ากากด้วยซ้ํานะก็ยังกลัวนะไอโจรที่มันร้ายกว่าขโมยที่เข้ามาในบ้านนะั้นก็คืออารมณนะ์อารมณ์ที่มันแอบเข้ามาในใจเรา ถ้าเราเป็นคนที่รักตัวเองเราต้องรักษาใจของเราให้ดีนะอย่าให้ขโมยมันเข้ามาขโมยที่มันจะเข้ามาเล่นงานใจของเราเนี่ยก็ความโกรธนี่แหละนะความโกรธความเกลียดนะความน้อยใจความขี้เกียจความใจร้อนเนี่ยมันเข้ามาทีไรนี่เราแย่ทุกทีนะนักเรียนบางคนเด็กบางคนก็เป็นคนเก่ง น, นะแต่ว่าพอขี้เกียจแล้วก็เลย การเป็นคนอ่อนแอบางคนก็ใจร้อนโกรธบางคนก็ขี้น้อยใจแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์ให้ก็น้อยใจค่าโกรธตายก็มีนะหรือว่าไปชอบกับผู้ชายนะอายุแค่1213องผู้ชายก็ไม่เอาด้วยเสียใจก็ค่าตัวตายหรือผู้ชายมีไปชอบผู้หญิงผู้หญิงก็ทิ้งนะอายุแค่1213ก็น้อยใจค่าตัวตายอันนี้เพราะว่าปล่อยให้ ขโมยนี่มันเข้ามาเล่นงานจิตใจก่อนจะสึบออกไปนี่ก็ฝากเนี่ยไว้นะให้เรารู้จักนะจ๊เอกับความคินละอารมณ์ของเราบ้างนะฝากไว้เป็นเกมนะเอาพวกเรานี่ไปเล่นเกมออนไลน์นะเล่นเกมในโทรศัพท์กันเยอะแนละ้วอันนั้นมันไม่มันไม่ดีเท่าแบบมาเล่นเกมจ๊เอกนะกับความคิดแล้วก็จิตใ จ, จของเราอย่างเช่นตอนนี้นะเนมน ตักอาหารเสร็จนี่ก็อาจจะใจ้อยแล้วนะบางทีก็เผลอมาพูดคุยกันนะบางคนก็เห็นอาหารอร่อยเกิดความอยากอยากจะกินแล้วพอไม่ได้กินก็เป็นไงทุกข์เลยนะเมื่อไหร่จะได้กินสักทีนะบางคนก็หงุดหงิดนะเพราะว่าไอ้ของที่อยากกินนี่เพื่อนอตักไปหมดแล้วก็ไม่พอใจเพื่อน แล้วเป็นยังไงทุกไหมแม้กระทั่งอยู่ตรงนี้นี่ก็ฝึกได้นะเจะเอะกับความคิดนะจะเอะกับความอยากแค่จตเอะเฉยๆนะแค่รู้ว่ามันโผล่เข้ามาไอ้กิเลสหรืออารมณ์พวกนี้พอมันรู้ว่าเรารู้ทันนะมันก็ถอยไปนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ทันนี่มันก็เข้ามาย่าดีเล่นงานจิตใจเราอยู่เฉยๆก็ทุกข์นะ อยู่เฉยๆก็โมโหเพราะว่าใจลอยเป็ น, นึกคิดนึกแค้นบางทีก็เป็นนึกเปรียบเทียบนะว่าเพื่อนเขาตัาดของดีไอเรานี่ตักแต่ว่าไม่ดีท่าของเขาเกิดความรู้สึกไม่พอใจอันนี้ก็ทุกข์เหมือนกันนะเกมอะไรก็ตามนี่มันไม่มันไม่สนุกไม่มีประโยชน์เทา่าเกมจั๊กเอะนะเด็กก็เล่นได้ผู้ใหญ่ก็เล่นดีนะไปจั๊กเอะความคิดทํำบ่อยๆนะ ไม่ว่าเวลาอยู่ไม่ว่าอยู่ไหนเวลากินเวลาเล่นหรือว่าทําการบ้านลองจัดเอกับความคิดดูบ้างความคิดนี่หมายถึงความความลักคิดนะไม่ตั้งใจคิดหลายไปอดีตบ้างลอยไปนาคตบ้างนอย่างบางคนนี่ก็ตอนนี้ก็กําลังคิดแล้วว่าสึดแล้วนี่จะไปกินอะไรดีนะพิซซ่าไปกินแฮมเบอร์เกอร์จะไปดูหนังเรื่องอะไรใจลอยแล้ว <Okay. S 1> พอลอยแล้วเป็นไง ทุกเลยนะอยากจะรีบสึดเร็วๆสิบโมงนี่ช้าไปนะต้องเก้าโมงเลยหรือว่าสึดแล้านี่ก็อยากจะรีบ ก, กลับบ้านกันเลยไม่รอแล้ว ล, ลดน้ําส่งน้ํานี่เที่ยงครึ่งไม่เอาแล้ว ล, ลบเราพ่อลบเราแม่ขอกลับบ้านจะได้ไปกินไปเที่ยวเนี่เพราะใจมันลอยนะใจจะไปคิดถึงสิ่งที่อยู่ข้างหน้าจะไปกินอะไรจะไปเที่ยวอะไรนี่ ใจก็เริ่มรอ้อนแล้ตอนที่คิดกับเพื่นนะจะได้ไปกินโน่จะได้ไปเที่ยวนี่แต่พอมามารู้ว่าตัวเองยังยังยังอยู่วัดยังต้องนั่งรอเพื่อนมาพร้อมหน้ากันนะทุกเลยตอมันอยากจะได้ไปกินไปเที่ยวเร็วเร็วไวๆถ้าไม่อยากทุกเนี่ก็ต้องรู้จักนะเจ้าเอกความคิดเนี่ยมันใจลอยไปโน่ไปนี่จ้าเอกมันอันนี้เราเป็นความฟุ้งซนะ่านมันเข้ามาในใจ ถ้าไม่เจ๊เอ๋มันก็โดนมาเล่นงานนะความคิดนี้ถ้าเราเป็นนายมันนะเราสบายแต่ถ้ามันเป็นนายเราเมื่อไหร่เราแย่นะไอความคิดนี้เป็นนายเราหมายความว่าเชื่อมันมันสั่งแล้วก็เชื่อมันหมดมันสั่งให้ว่ามันสั่งให้ด่าว่าเพื่อนเราก็ทําตามเราก็เดือดร้อนบางทีมันสั่งให้ขโมยนะสั่งให้ขโมยของเราทําตามมันเราก็แย่ มันสั่งให้อยาซื้อนู่นซื้อนี่จงเงินหมดมีเงินเท่าไหร่ก็หมดนะเห็นของใหม่มนบอกอยากได้อยากได้เราก็เชื่อมันอยากได้นี่ทำไปหาเงินเองก็ยังพอว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อยากได้ไม่ทําไงแบมีขอพ่อแม่แม่ไม่ให้ก็โกรธ ถ, ถาว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักบางทีก็น้อยใจเอาหัวโขกขึ้นเอาหัวโขกกาแพงเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใ จ, ใจ เอาไปเล่นนะเอาไปเอาวิชานี้กลับไปถ้าเราทําบ่อยๆทำบ่อยๆใจเราจะปวมจะโล่มันเป็นสิ่งที่ช่วยนะช่วยกํจาจัดความทุกข์ออกไปจากใจได้ให้ความทุกข์หรือว่าอารมณ์ความโกรธความอยากนะความนั้อยนต่ำใจพวกนี้มันเป็นมันเป็นพิษนะทำลายจิตใจเราร่างกายเราเนี่ยมันก็มีอวัยวะมีระบบนะที่คอยช่วย กำจัดพิษในร่างกายรู้ไหมว่าอาวัยวะไหนที่ใหญ่สุดในร่างกายเราเนี่ยอเนินจีรจารีมีรู้ไหมอวัยวะไหนที่ใหญ่สุดในร่างกายฮะไอนะต่อเหรอปอไม่ใช่เพราะกระเพาะเหรอผิดตับตับตับนี่ใหญ่สุดในร่างกายตับทำหน้านที่อะไรรู้ไหมตับทำหน้านที่อะไรรู้ไหมหน้าที่ง <c oughs> ที่สำคัญคือว่า กำจัดพิษในร่างกายอาหารที่เรากินเนี่ยแม้กระทั่งมันมีสารเคมีนะตับนี่ทำหน้าที่กรองสารพิษออกไปจากนะอาหารที่เรากินมันมีระบบสองอย่างคือตับกรับายตับนี่จัดการกนะับพวกพิษที่มากับของแข็งนะเช่นอาหารส่วนตไตนี่มันจัดการกับของเหลวนะทำไมร่างกายเราธรรมชาติถึงให้ตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายก็เพราะว่า มันมีหน้าที่กําจัดพิษที่เข้ามาในร่างกายมันใหญ่ก็่กระอเอยนะกินอาหารเข้าไปอาหารดูดซึมเข้าไปผ่านกระเพาะลําไส้เนี่ยอันนั้นก็สํำคัญอยู่นะแต่สิ่งสําคัญกว่าคือการกําจัดพิษออกไปจากร่างกายธรรมชาติให้ต่ำนี่ใหญ่กับกระพเพาะนะเพราะว่านะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนี้นะมันยังไม่สําคัญเท่ากับการกําจัด นะสิ่งที่เป็นพิษออกไปที่มากับอาหารนะร่างกายเรามีระบบกําจัดสารพิษในร่างกายและจิตใจเรามีไหมระบบกําจัดสารพิษออกไปจากใจธรรมชาติก็ให้มาเหมือนกันนั่นะคือสตินะคือสตินี่ทำหน้าที่กําจัดสิ่งที่เป็นขยะในจิตใจที่จริงยมีอีกหลายอย่างนะแต่ว่าสติสาคัญมากแล้วถ้าเราฝึกจเจตเมยบ่อยฝึกบ่อ ย, อยสติเราจะแข็งแรงนะเราจะทํางานได้ดี แล้วเราก็จะมีความสุขนะร่างกายก็สุขภาพดีพขตับทำงานได้เป็นปกติส่วนจิตใจเรา ก, ก็เป็นปกติสุขเพราะว่าสติมันทำงานถึงอาไว้นะอ่ะแล้วก็จากนี้ไปก็เตรียมรับพร